สิเลนะโอคสัมปทาสิเลนะนิพพิตยันติอิมัสสะธรรมะปริยายัตอัทโทสะทายัสสัมเทหิสกจังธรมโอโสตโบติเอาเตรียมตัวนั่งให้สบาย นั่งสมาธิฟังธรรมเอ่อ <c oughs> นั่งขัดสมาธิสองชั้นไอ้ขาขวาทับขาซ้ า, ายถ้านั่งขัดสมาธินเป็นอีกแบบหนึง่งนั่งสมาธิต้องขาขวา ทับขาซ้ายสมาธิสองชั้นจะนั่งสมาธิเพชร้องเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นทับขาซ้ายเหมือนกันกันกบหลวงพ่อเพชรที่จังหวัดพิจิตรพระพุทธรูปหรือว่าหลวงพ่อเพชรตะนั่งขัดสมาธิเพชร เท้าทั้งสองจะโพขึ้นข้างบนอันนั้นเป็นท่าที่พระพุทธเจ้าในคราวเมื่อยังไม่ได้ตัดสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พระองค์อธิษฐานจิตเมื่อพระองค์ได้รับฉันข้าวมัทุปะยาตจากนางสุสดาแล้ว ในตอนเช้าพอตอนบ่ายพระองค์บ่ายหน้าสู่โพธิพึกคือพุทธคยาไ ด, ได้รับหญ้าคาแปดกำมือจากโสติยพามหญ้าคาคือหญ้าแฝกบ้านเรานี่แหละเขาเรียกว่าหญ้าคาได้มาแล้วพระองค์ราชปูราชลงให้เป็นบรรลังแก้วแล้วอธิษฐาน นั่งขัดบรรลังสมาธิเพชรหินพระพักไปทางบุรพาทิศหินพระปริศดางคือข้างหลังไปทางทิศตะวันตกโดยมีต้นพระศีมหาโพธิ์เป็นฉากข้างหลังนั่งอยู่ภายใต้ร่มไม้โพธิพึก อธิษฐานเพื่อโพธิญาณถ้าพราะองค์ไม่ได้ตัดสรุนุตรสัมมาสัมโพธิญาณตาบใดแล้วจะไม่ยอมลุกจากที่นั่งนั้นนี่พระองค์ยังได้นั่งขัดบรรังเป็นสมาธิเพชรมือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงทำกายให้สบายสบาย อย่าให้เอ็นเอียงไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาตั้งให้ตรงดูกส้นหลังตรงกันแล้วตั้งสติให้เป็นอาวุธเอาสตินี้แหละเป็นเครื่องระลึกทำความระลึกรู้ทาความระลึกรู้รู้เอาลมหายใจเป็น เป้าหมายแห่งการระลึกหายใจเข้าระลึกรู้นึกพุทธหายใจออกระลึกรู้นึกโทหายใจเข้าระลึกรู้นึกพุทธหายใจออกระลึกรู้นึกโทนี่เรียกว่าตั้งพาชนะตั้งฐานคือกายให้เที่ยงตรงดีแล้วตั้งฐานของจิตคือสติ ธรรมสติธรรมเป็นฐานเป็นธรรมที่มีอุปการะเพื่อให้จิตรวมลงสู่สมาธิคือความเป็นหนึ่งจิตรวมลงสู่สมาธิคือความเป็นหนึ่งอยู่กับคํามริกรรมแบบพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเป็นเครื่องระลึกอันเดียวเป็นเครื่องรูปอันเดียวต่อนเนื่องกันนั่นเรียกว่า จิตมีอารมณ์อันเดียวเป็นเครื่องรูของใจเครื่องลอึกของสติเมื่อรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแนบแน่นเข้าไปสู่ความรูกก้ความรู้แน่วแน่เป็นอันเดียวคือผ่านคมบริกรรมลงไป เมื่อละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปผ่านคำบริกรรมจนเข้าไปถึงผู้รู้อันเดียวแนวอยู่นั่นเรียกว่ามีธรรมอันเดียวหรือมีความระลึกรู้อยู่กับความรู้อันเดียวเรียกว่าเอกค้าตายจิตจิตมีความรู้เป็นตัวของตัวอยู่ โดยธรรมชาติอันเดียวไม่เกี่ยวกะข้างนอกสัมผัสอะไรต่ออะไรเสียงสัมผัสหูร้อนเย็นสัมผัสกายก็ไม่สายแสความรู้นี่ไปตามอันเดียวว่าความรู้ลงสู่ฐานที่ตั้งแห่งความรู้ด้วยสมาธิเป็นฐานของใจเป็นฐานของความรู้ แล้วก็มีความรู้นี่แหละเป็นฐานรองรับปัญญาอีกส่วนหนึ่งนี่เมื่อตั้งฐานไว้ดีแล้วก็กำหนดรู้อยู่อย่างนงันเลื่อยไปนี่ส่วนกระแสธรรมที่จะแสดงเป็นเสียงกลมเป็นเสียงกลมใจเป็นเสียงดนตรีเสียงเพลง เรียกว่าเพลงธรรมเป็นธรรมมเพรีเป็นเสียงกรองที่ไพเราะอันเรียกว่าธรมมรมเพรีคือเสียงธรรมนั่นเองกรองสัมผัสกับหูหูมีหน้าที่สัมผัสกับเสียงใจมีหน้าที่รู้มันกําหนดรู้ที่ใจเสียงสัมผัสหูก็จะรู้เข้าไปที่ใจ เมื่อรับรู้อยู่ด้วยความมีสติก็จะรู้ความหมายบางศัพท์บางคําเราไม่รู้ความหมายในภาษาแต่เราจะรู้ความหมายในธรรมะที่ท่านแสดงไปนั่นคมคืนอยู่กับใจของเรากรอบใจของเรา เ, เรียกว่าการฟังธรรมะได้ผลได้ประโยชน์ได้ความมีความ ไพรเล อ, อยู่ด้วยเสียงธรรมฟังธรรมะมีรสมีรสชาติแสงว่ารสชาติของธรรมะเนื้อกว่ารสชาติทั้งปวงอาหาว่าสัมผัสด้วยเสียงธรรมแล้วใจสุ่มชื่นเบิกบานเยือกเย็นนี่ให้ตั้งฐาน <c oughs> ลองรับธรรมคือกายกับใจ่อยให้ดี วันนี้จะนำธรรมะมาแสดงให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องศีลที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญศีลกถาพระองค์พรรณาเรื่องศีลศีลมีหยากมีละเอียดศีลที่เราสมาทาน เราเจตนาเราตั้งใจอันนี้เป็นศีลที่สมทานเรียกว่าสมทานนวิรัตีเจตนาสมทานอธิษฐานพระพเจ้าจะงดเว้นจากการทำบาปทางกายทางวาจาและความนึกคิด ทางจิตใจในส่วนหยาบเกีเ่ยวกับกายกับวาจาเนี่ท่านเรียกว่ากิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบเมื่อมันเกิดขึ้นในใจมันจะอาศัยกายและวาจาเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือของการแสดงออกเป็นเครื่องมือของการปราบ ความเป็นธรรมการกิเลสเป็นศัตรูกับธรรมะธรรมะก็เป็นเครื่องปราบกิเลสเป็นเครื่องฆ่ากิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจและแสดงออกส่งสัญญาณมาทางกายวาจาโดยเหตุนี้ท่านจึงให้มีเจตนาเจตนางดเว้น เรียกว่าสมทานด้วยเจตนาวิรัตอาจจะงดเว้นจากการฆ่าการทำลายชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นชีวิตของใครใครก็รักใครก็สงวนการงดเว้นจากบาปไม่ทำบาปด้วยการทำลายชีวิตของผู้อื่นสัตว์อื่นได้ชื่อว่ารักษาชีวิตของเราไว้ให้ สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีโทษไม่มีบาปไม่มีภัยไม่มีเว้นี่เคตนางดเว้นว่าเราจะไม่ฆ่าและไม่บอกให้ผู้อื่นฆ่านี่ควบคุมทางกายเราจะงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของผู้อื่นที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยกิริยาการแห่งความเป็นขโมย และไม่ใช่ให้ผู้อื่นรักขโมยด้วยมีเจตนามดเว้นที่ใจแล้วก็สำรวมระวังรักษาที่กายาพระพเจ้าจะมดเว้นจากบาปทางกายด้วยการระเมิดกาเมสุมิฉาจา์คือการประพฤติอัสธรรม คือการร่วมเพศร่วมสังวาสกับสามีภรรยาผู้อื่นหรือผู้ที่บุคคลเขาเลี้ยงดูหวงแหน ม, มีเจตนางดเว้นนี่ทางกายบาปที่จะเกิดขึ้นด้วยการแสดงออกทางกายแต่มีสติควบคุม จิตให้จิตควบคุมกายเจตนางดเว้นจะไม่พูดเท็จพูดคำไม่จริงการพูดเท็จพูดคำไม่จริงคือการพูดไม่ให้ตรงตามความจริงแต่บางอย่างเราเพื่อ จะให้เป็นการหลีกเลี่ยงจากการพูดความจริงเพราะการพูดตามความเป็นจริงบางอย่างนั่นก็จะเกิดโทษ ด, ด้วยได้เกิดความเป็นโทษความเสียหายเพราะฉะนั้นจึงต้องมีอุบายหลีกเลี่ยงเช่นเราเห็น อยู่ในขณะนี้มีผู้มาถามเราว่าเห็นไห ม, มเมื่อเราเห็นเราก็เคลื่อนที่ไปการเคลื่อนที่ไปนั่นเราบอกว่าไม่เห็นเพราะขณะที่เราอยู่ที่ใหม่นั่นเราไม่เห็นเราไม่ได้ยินอย่างนี้นี่เรียกว่าต้องใช้ปัญญาใช้อุบายในการที่จะมไม่ให้เกิด โทษจากการที่เราพูดความจริงนั่นเช่นการเราค้าขายอย่างนี้การค้าการขายก็ต้องให้มีกำไรถ้าเราไปบอกว่าโอ้ยขายไม่ได้ไม่มีกำไรแต่ความจริงมีอยู่กำไรแต่มันมีน้อย ถ้าเราพูดว่าไม่มีกําไรเสียเลยก็เป็นการพูดคําไม่จริงเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องใช้อุบายพูดอย่างอื่นพูดว่าโอ้ยถ้าอย่างนี้ก็ขายไม่ได้ราคาเท่านี้เท่านี้ขายไม่ได้เท่านั้นเท่านี้จึงจะขายได้ น, นี่เป็นเรื่อง การขายเราไม่ได้บอกว่าขาดทุนขาดกําไรเพราะท่านมีอุบายในการพูดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเพื่อการพูดไม่ผิดจากความเป็นจริงเพราะว่าการพูดการใช้วาจาเนี่ยมันเป็นความหยากมันเป็นความหยากมันเป็นกิเลสอย่างยาก แล้วมันใช้สมมุติที่จะต้องได้ยินกันด้วยเสียงและได้รู้กันเกิดความเสียหายเพราะใช้กายนี่จะต้องทนีท่านจริงให้ควบคุมกายควบคุมวาจาร์ด้วยความสุจริตหรือไม่ทำบาป ท, ทางกาย ไม่ทำบากทางวาจาไม่พูดคำเท็จไม่พูดคำหยาบคลายขายแข็งกระด้างคำส่อเสียยุโยงให้เห็นผิดเข้าใจผิดจากความเป็นจริง <c oughs> นี่เรียกว่าว า, วาจีกรรมมีอยู่สี่แต่มโนกรรมคือใจนี่เรื่องใจนี่มันเป็นธรรมชาติรู้ธรรมชาตินึกคิด นั่นมันเป็นจิตตังการที่จะไม่ให้นึกไม่ให้คิดเป็นของยากเพราะเขามีหน้าที่เขาเป็นใหญ่ในการคิดดีกว่าคิดนึกคิดไม่ดีกว่านึกคิดได้กว่านึกคิดไม่ได้กว่านึกคิดนั่นเป็นธรรมชาติของจิตตังทีนีการนึกคิดถ้ามันนึกคิดไปบ่อยบ่อยนึกคิดไม่มีประโยชน์นึกคิด ไม่มีเวลาหยุดมันก็เกิดความไม่สบายเรียกว่าใจฟุ้งซ่านลำคาญเพราะฉะนั้นอุบายที่จะทวนกระแสะความนึกคิดถึงแม้เขาเป็นธรรมชาติที่นึกคิดก็ตามในเมื่ออารมณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดความ เ ร, ร้อนหรือความนึกความคิดไปตามกระแสของก <c oughs> ิเลสคือความอยากความโลภความโกรธความไม่รู้เท่ารู้ทันความไม่มีสติเข้าไปรู้เหตุผลในการที่จะนึกคิดนั่นมันก็จะเป็นการเพิ่มความทุกข์ความกังวล คิดมากๆสุดท้ายกับกายเป็นประสาทเป็นโรคประสาทเป็นความเปลี่ยนแปลงเป็นความวิกลจริตไปทางกายได้เพราะฉะนั้นจึงต้องหัหักห้ามทวนกระแสคือเปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดใหม่ถ้ามันนึกคิดไปในเรื่องที่ ให้เกิดความวุ่นวายหดโหูเสียอกเสียใจโกรธแค้นก็เปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนวิธีแห่งความคิดความนึกเพราะท่านท่านยังบอกไว้ในกรรมฐานสีสิบายให้นึกให้ะระลึกที่ให้เกิดความเป็นธรรมเช่นเราไปนึกโกรธนึกเกลียดเขาก็าให้มานึกใน ความเมตตานึกในความเมตตาปรารธนาให้เป็นสุขทุกตัวตนคนสัตว์เขาก็ดีเราก็ดีย่อมมีความปรารธนาความสุขปรารถนาความเป็นอิสระไม่ต้องการให้ใครมาคมเหงลังแกเบียดเบียนต้องการความนึกความคิดนึกคิดแล้วก็มีความปลอดโปรงโล่งใจ ไม่คับแค้นใจไม่เสียใจนี่แล้วก็มาระลึกในบทเมตตาอย่างที่เราสวดกันนี่เป็นบทนำให้ระลึกเมตตาตนอหังสุขิโตหอมินิทุโคหมิเรียกว่าเมตตาตนคือจงพ้นจากคึกเถิดจงเป็นผู้มีสุขรักษาตนเถ อ, อนี่มานึกถึง ตัวของเราเองแล้วก็นึกถึงผู้อื่นสัตว์อื่นเพียงว่าให้มีความสุขอยู่เป็นสุขเป็นสุขสุขกายสุขใจแปรถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จตามความปรารถนาเหล่านี้เป็นการนึกไปในทางแนวแห่งความ ช่วยเหลือเชือจุนความเมตตา <c oughs> เมื่อเราละลึกอยู่เรื่อยๆละลึกอยู่เรื่อยๆละลึกในในความเมตตาในความช่วยเหลือในความไม่ผูกอาฆาตจองเวรในทางที่ไม่ <c oughs> คิดทำลายละลึกอยู่ลลยเรื่อยๆระลึกอยู่เรื่อยๆสติก็ต่อเนื่องกันในการละลึกถึงเมตตา เมื่อสติะระลึกต่อเนื่องก็เป็นสัมปชัญญะเป็นความรู้ตัวก็ตัดกระแสอของความโตรตัดกระแสของความพยาบาทออกไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจเจริญอยู่บ่อยๆกำหนดอยู่บ่อยๆระลึกอยู่เรื่อยๆเป็นอารมณ์อยู่เรื่อยๆอสุดท้าย ใจก็รวมลงสู่ความเป็นหนึ่งของใจกายมาเป็นเมตตาจิตเกิดขึ้นที่ใจเมื่อเมตตาประชุมลงที่ใจเป็นใจเมตตาและที่ไม่ใช่เป็นเมตตาด้วยการนึกการสวดเป็นความรู้ความเห็นเป็นเมตตาจิตทราบซึ่งเกิดปิติความเ อ, อื้อิีนในเมตตา จิตอ่อนละมุนละใหม่มีความสุขจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบความสุขความอ่อนความนิ่มในขณาจิตที่รสชาติแห่งเมตตานั้นประชุมลงที่ใจอหาอะไรมาเปรียบเสมอเหมือนไม่มีนี่เรียกว่าเป็นเมตตาจิตเแี่ยเมตตาประชุมลงที่จิตของเรา นั่นแหละเมื่อเมตตาประชุมลงที่จิตจิตไม่แข็งกระด้างจิตไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทก็มีแต่เมตตาสงสารชีวิตของใครใครก็รักใครก็สงวนเราเราก็รักชีวิตของเราสงวนชีวิตของเราก็ไม่ก็ไม่ประเบียดเบียนใครมีแต่ให้ความช่วยเหลือมีแต่ให้ความเอ็นดูเรียกว่าเมตตาปราฐานให้เป็นสุขกรุณาความเอ็นดูสงสาร หาวิธีช่วยที่จะให้พ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่เหมือนอย่างพระบรมศาสดาสมาสพรพุทธเจ้ า, าช่วยพุทธบริษัททั้งหลายด้วยการสอนธรรมะด้วยการนำให้ฝึกประพฤติปฏิบัติให้ทำความดีเพื่อเป็นการลบร้างความไม่ดีคือการลบร้างบาปลบลบลบ้างอากุศล ก็ลบล้างด้วยการคิดดีนึกดีทาง จ, จิตใจเมื่อจิตใจนึกดีรู้ดีได้แล้วก็ทำดีพูดดีทําดีทางกายพูดดีทางวาจานี่เป็นการลบล้างบาปอากุศลในปัจจุบันส่วนอดีตที่ทํามาแล้วก็เป็นอันว่าได้ทํามาแล้วนั่นเป็นอดีตไปแต่ที่เราจะแก้จะลบร้างก็ลบล้างในปัจจุบัน เพราะสั้นการสมาทานศีลการจงใจตั้งใจรักษาศีลรักษาบาปรักษาโทษทางกายทางวาจาและสั้รวมระวังแม่ความนึกคิดทางจิตใจไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรไม่เห็นผิดเป็นชอบไม่ละโมบโลคดูระวังความละโมบความอยากมันจะเกิดขึ้น ในจิตใจของเราทวนกระแสไปตามหลักแห่งธรรมะเมื่อมันมีความอยากอยากก็ให้อยากแต่สิ่งที่จะเป็นสิทธิ์เป็นเสรีหรือการงานที่เราจะทำโดยชอบ mm. ก็จะได้ผลตอบแทนจากการงานงานนั่นถ้าไม่เป็นสิ่งที่อยู่ในฐานะที่เราจะได้ mm. ก็ยังไม่ใช่ของเรา mm. ก็ให้ยินดีในสิ่งที่เราได้เรามี ยินดีในการกระทําดีในการกระทําเหตุในปัจจุบันนี่มีความรู้ชอบเห็นชอบเียวทิฏฐิสุกรรมทําความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงตั้งอยู่ในเมตตาจิตก็รบร่างความอยากความโลภที่มันจะเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เหตุรู้ผล ไม่รู้โทษลูกบุญลูกคุณอะไรไม่เกิดความระอายแก่ใจไม่เกิดความเกงกลัวต่อบาปปาประธรรม mm hmm. เมื่อเรามาระลึกรู้อย่างนี้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาเมื่อเกิดความรู้ความเห็นมันก็จะลดละการกระทำเรียกว่ามาสงบกายสงบวาจาสงบใจ <c oughs> นี่พ้นจากโทษจากบาปทางกายทางวาจาด้วยศีลก็เป็นกำลังที่จะหนูนสมาธิธรรมคือความมั่นคงหนักแน่นสมาธิธรรความตั้งใจมั่นตั้งใจไว้มั่นคงในการที่จะทำคุณงามความดีนั่นแหละ อันนี้ว่าสมาธิชอบคือตั้งใจในการที่จะละบาปตั้งใจในการที่จะนนทำบุญกุศลความดีให้เกิดขึ้นตั้งใจในการที่จะกาหนดรูปอันนี้จังทุกขังอนัตตาเรียกว่าลักษณะทั้งสามอย่างที่ความเกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์นน ความมีรูปมีกายนี่แล้วก็มีใจเข้ามารับรู้สัมผัสแล้วมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งน้นสิ่งนีเ่เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนกระทบกระทั่งที่เรียกว่าทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงทุกข์เพราะความแตกดับสลา ย, ยไม่ใช่ตัวใช่ตนอีก นี่วัตตสามนี่มันเป็นห่วงแห่งความทุกข์ทั้งนั้นจะให้มันเป็นความสุขสมหวังสมปรารถนาเราเว่าเรามีร่างกายแล้วจะให้มีความสุขความสบายไม่มีโรคไม่มีภัยสบายอยู่เหมือนอย่างเป็นปกติที่เราไม่มีโรคไม่มีภัยอะไรเป็นไปไม่ได้ราะในไม่ช้ามันก็จะมีถึงแม้มันยังไม่มีมันก็จะมี นั่นก็จะเป็นนี่ด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะประพฤติปฏิบัติศีลธรรมอันเป็นเส้นทางที่จะดำเนินไปสู่ความสิ้นทุก์โดยชอบในเบื้องต้นก็จะระงับดับทุกขมากๆให้มันเหลือน้อยเข้าไปเหลือน้อยเข้าไปจนที่สุดก็ทำให้สิ้นสุด ไม่มีแม้แต่ขณะจิตหนึ่งในจิตในใจได้ด้วยคุ ณ, ณธรรมแห่งการปฏิบัติธรรมคือศีลวุอาวุธคือศีลปราบทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะกายวาจาหรือว่าปราบกิเลสความอยากความหลงที่จะ แสดงออกทางกายวาจาควบคุมอยู่ด้วยวา ม, มีสติสัมปชัญญะรู้เหตุรู้ผลละเอียดเข้าไป เ, เมื่อมีศีลสังวรท่านเรียกว่าศีลานุสตเิเมื่อเราอธิษฐานงดเว้นเจ้าบาปก็มีความระลึกอยู่ในการที่จะทำศีลของตนให้บริสุทธิ์เรียกว่าสํรระศีลให้บริสุทธิ์ คือศีลเจตนางดเว้นขึ้นมาแล้วสำระเพื่อจะให้เข้าสู่โลกุตรศีลหรืออริยกันตศีลศีลของพระอริยเจา้าผู้เข้าถึงความจริงเห็นโทษเห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นผลที่เกิดแล้วก็ละเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นั่นได้ด้วยสติสมาธิ และปัญญาเข้าใจในสภาวธรรมตามเป็นจริงว่าความเป็นศีลที่แท้จริงคือความเป็นปกติกายปกติกายคือกายไม่ทำโทษไม่ทำโทษทางกายปกติวาจาวาจาไม่พูดสิ่งที่จะเป็นโทษพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็น ไห้เลาะให้เกิดความรักความประสานสามคิตรซึ่งกันและกันนี่เรียกว่าเป็นวาจาปกติที่เป็นธรรมแ้วก็ใจที่เป็นปกติไม่มีโทษทั้งกายไม่มีโทษทั้งวาจาไม่มีโทษทั้งความนึกคิด ทางกิจใจเมื่อเมตารวมเข้าสู่ใจแล้วนั่นแหละไม่มีความนึกคิดอิจฉาพยาบาทอิจฉาตาลอนความนึกคิดที่จะทำลายคมเหงหลังแกอะไรมันไม่มีท่านจริงเรียกว่าเข้าสู่ธรรมเข้าสู่ความเป็นศีลที่เรียกว่าศีลของพระรีเจ้าในเบื้องต้น พโสดาบันเว้นบาปทางกายสามบาปทางวาจาสี่ขาดโดยสิ้นเชิงแล้วก็เว้นบาปทางใจด้วยความเห็นผิดเพราะเป็นผู้เห็นชอบอมไม่มีพยาบาทอมน ม, มีพยาบาทปทุสรายภายในจิตใจ นท่านจริงว่าละเครื่องร้อยลัดหรืออารมณ์แห่งความเป็นอกุศลขาดออกไปสกายาทิฏฐิยิกิจฉาศีรพัตต์ปรมาตุนี่ศีลรวมลงสู่ความเป็นโลกุตระศีลคือเป็นศีลของพระอริยเจ้า เป็นศีลที่จะนำออกจากทุกข์นำให้พ้นจากโลกนี่ไปได้คือประชุมรวมลงที่ใจด้วยอาศัยอาวุธศีลอวุธควบคุมทางกายทางวาจาและก็ควบคุมเข้าไปสู่ใจนี่เพราะฉะนั้นเมื่อ ความบริสุทธิ์แห่งความเป็นอริยะศีลของพระอริยเจ้าหรือโลกุตระศีลแล้วไม่ต้องสมทานไม่ต้องเจตนาไม่มีไม่มีความเจตนาไม่มีการสมทานแต่มันจะเป็นความลู่อันนี้เป็นโทษมันลู่มันละแล้วใน ว, ว่าละบาปทางกายทางวาจานั้นขาด ไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็เหลื อ, อความละเอียดของสมาธิความละเอียดของปัญญามมเมื่อศีลรวมเข้าสู่กายวาจาและใจเป็นอริยศีลเป็นโล ก, กุตตรศีลนีความสุขนั่นจริงว่าศีเลนะ สุขติญจติท่านว่าจะได้ความสุขในสุขติโลกสวรรค์นั่นก็เพราะศีลก็คือเป็นศีลในปัจจุบันนี่แหละเงาประชุมรวมลงที่ใจของเราคําว่าสุขติก็คือความสุขความสุขกายสุขใจอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเป็นสุขติ แล้วจะต่อเข้าไปถึงภูมิแห่งสุขติภูมิอีกก็ไปจากปัจจุบันนี่ <c oughs> สีเลนะสุขติยันติสีเลนโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติสุดท้ายเรียกว่าจะทำความดับสนิทแห่งความโลภความโกรธความหลง <c oughs> ความอยาก <c oughs> ที่เกิดขึ้นเป็น ออกเป็นมีดแหลมเสียบแทงหน้าอกคือใจจะถอดถอนออกได้ด้วยปัญญาณชอบทิงรวมว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นอันเดียวกันศีลก็อยู่กับสมาธิสมาธิก็อยู่กับปัญญาปัญญาก็อยู่กับศีล นี่กองคืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะเข้าถึงความเป็นศีลอันแท้จริงเป็นสมาธิอันแท้จริงนี่การปฏิบัติศีลการรักษาโทษการเว้นจากโทษเป็นการอบรมเพื่อจะให้สมาธิธรรมคือความ มั่นคงของใจตั้งมั่นในการเป็นจากโทษแล้วก็ทำความดีด้วยการให้ทานการจเจริญภาวนาจเจริญเมตตานี่ก็กลมคกืนกันไปนี <c oughs> ่เป็นบาฐานเมื่อสติ ต่อเนื่องกันรูปปัจจุบันรูปปัจจุบันนี่ศีลที่เรารักษารวมเข้ามาเป็นสติท่านเึงว่าผู้มีศีลอันแท้จริงคือผู้มีสติสมบูรณ์เพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าหรือพระอรหันตู้ที่ท่านพ้นจากสมมติทั้งหลายเรียกว่าสติสมบูรณ์ยังไม่ ควรที่จะไปะยกโทษว่าท่านมีโทษอันนั่นมีบาปอันนี้เพราะอยู่เหนือวิสัยแห่งสมมุติแล้วเพราะมีสติสมบูรณ์คือความรู้แจ้งแทงตลอดในสมมุติทั้งหลายแล้วก็ปล่อยวางโดยปัญญา ปล่อยวางโดยความรู้ความสว่างของใจแล้วอันเรียวว่าอยู่นอกสมมุติไปแล้วนี่เพราะนั้นศีลสมาธิจึงมีคุณมีประโยชน์ที่จะให้ปัญญานี่เสียบแหลงแก่กล้าเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ จเจริญให้มากทําให้มากโพอดช่งโคสติสังขาโตในโพอสังขสุให้จเจริญสติมเมื่อจเจริญสติแก่กล้าจเจริญสติให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็จะเป็นไปเพื่ อ, อปิติความอิม่มสธิความสงบใจ ความสงบจากกิเลสจากอารมณ์ที่เป็นข้าศึกของใจนี่มันจิตใจมันจะไม่ไปวิตกไปวิจาร์กังวลอยู่กับอารมณ์ที่เป็นข้าศึกถ้าสติยังไม่กล้ายังไม่เป็นธรรมวิทยะไม่เกิดปิติคือความสงบใจความอิม่มในใจมันก็จะชอบไปวิตกวิจาร์ กับอารมณ์ที่ <c oughs> ไม่ดีนดั่นแหละอารมณ์ที่จะเป็นหอกเป็นแหลมกลับมาทิ่มแทงใจ <c oughs> มันจะไปชอบนึกชอบคิดกับอารมณ์เหล่านั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงต้องอบรมจิตใจให้ สัมผัสกับสมาธิธรรมศีลธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมในขณะ น, นี้เรากำหนดรู้อยู่มีสติรู้ใจรู้ปัจจุบันด้วยการฟังธรรมะเมื่อเข้าใจในสาระที่แสดงก็จะตัดความสงสยัย นั่นเรียกว่าระวิกิจฉาความลังเลสงสัยในธรรมได้ละความถือตัวถือตนมีทิฏฐิมานะหรือเราถือเขาได้มเมื่อไม่มีทิฏฐิไม่มีมานะความถือในี่มีแต่ความมีเหตุมีผลได้ยินได้ฟังอะไรก็บ ม, มีสมาธิ มีสติเป็นฐานที่ตั้งแน่แน่จากการได้ยินได้รู้ปัญญาไขาควรนเหตุผลนี่เรียว่าไม่มีความถือหรือว่าเราหรือว่าเขาแต่รู้ด้วยเหตุและผลว่าสิ่งนั้นๆมีเหตุยังไงมีผลยังไงแล้วเขาก็จะปล่อยจะวางแต่ตามเหตุผลนั้นนั้น นี่เรียกว่าธรรมะคือสติเมื่อเจริญให้มากกำหนดให้มากแล้วจะเป็นไปเพื่อปิติคือความอิ่มใจเป็นไปเพื่อปัสสธิเป็นไปเพื่อความเพียรอันชอบ ความเพียรไม่ทอถอยเพียรทมเพียรระลึกเพียรกำหนดเพียรรู้ไม่ปล่อยให้สัญญารมณ์อย่างอื่นเชิดเอาใจของเราไป ใ, ใจอยู่กับอารมณ์แห่งธรรมะกับการรู้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะเกิดความ แกมแจ้งเรียกว่ามีวิริยะความเพียรมีปสธิความสงบใจที่เคยฟุ้งซ่านลำคานก็จะรวมตัวลงเป็นหนึ่งเป็นปัจจุบันโดยปกติโดยนิสัยเกิดจากการฝึกการอบรมนั่นแหละทำให้มากจเจริญให้มาก <c oughs> แล้วก็จะ เข้าถึงความอุเบกขามีปัสจิมีสมาธิมีอุเบกขารู้จากการวางเฉยบางอย่างเราได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจเหตุผลตั้งแต่ได้ยินได้ฟังที่สัมผัสเสียงสัมผัสหูเรารู้ด้วยใจมันก็ไม่มี สิ่งที่จะไปโต้แย้งไม่มีสิ่งที่จะไปขัดขวางอะไรให้เป็นคิดถิมานะขึ้นมาเพราะมันรู้พูดเรื่องดีก็รู้ตามเหตุผลพูดเรื่องชั่วก็รู้ตามเหตุผลของความดีความชั่วพูดถึงความ ปล่อยความวางความ <c oughs> ทอดธุเลไม่เข้ามาเป็นสัญญารงภายในใจก็รู้เรื่องเข้าใจในเหตุและผลต่างๆนี่ท่านเรียกว่าเข้าใจในธรรมะทั้งที่ฝ่ายที่เป็นนินธรรมทรรมอันดำคั่มคือเรียรรมของกิเลสคือทแมทแห่งความโกรธทมแห่งความโกรธ ทำแห่งความหลงรู้อาการของความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วมันละไปเพราะอะไรมันสงบไปเพราะอะไรนี่เดียวว่ารู้เหตุรู้ผ ล, ลรู้ทำฝ่ายต่ำฝ่ายดำข่ำทำที่เป็นกลางกลางทที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาอยู่เรื่องของศีลของสมาธิ ของปัญญาว่าเป็นการกำจัดทมฝ่ายดำค่ำเป็นธรรมที่กำจัดความโลภความโกรธความหลงธรรมที่กำจัดกิเลสความไม่รู้ให้เปลี่ยนเป็นความรู้ขึ้นมารู้เหตุรู้ผลรู้ระรู้วางอยู่ในตัวของเขาเองมเมื่อเรา จเจริญศีลคือสติเนี่ยให้สมบูรณ์แล้วจเจริญสมาธิด้วยการเจริญศีลเจริญสติจเจริญสัมปชัญญะให้มีกำลังก็เป็นความสงบของใจเป็นความตั้งมั่นของใจ รวมสู่เข้าสู่ความเป็นหนึ่งของใจได้ความรู้อันเดียวได้เนี่ยเมื่อเข้าถึงสภาวะแห่งความรู้อันเดียวก็รู้รู้กายรู้ใจรู้สมมตุติว่ากายมันเป็นอย่างนี้สมมุติกายเป็นอย่างนี้สมมุติใจเป็นอย่างนี้คำ ว, ว่าใจที่ผู้รู้รู้เป็นธรรมชาติอย่างนี้สิ่งที่มาเกิดขึ้น ที่เป็นขยะเป็นสนิมของใจมันเป็นอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์โรคอารมณ์โกรธนั่นเป็นอย่างนี้นั้นก็รู้มันก็แยกกันเดียว่าแยกกายแยกจิตแยกสัญญาอารมณ์สุดท้าแยกสมมุติออกจากความจริงคือริ ม, มุติ ประชุมรวมลงสู่ความเป็นยิสุดที่ทำหรือเป็นสิ่งที่ไม่ต้องสมมุติก็คือธรรมชาติของใจธรรมชาติของความรู้ที่มันไม่มีอะไรเข้ามาเจียกลไม่มีอะไรมาทำให้เกิดเป็นปฏิกิริยาวิตกวิจาร์ไปเพราะความโลภความโกรธความหลง เพราความพัดพลาดจากข้อความเสียอกเสียใจอะไรมันไม่มีเมื่อมันรู้มันเข้าใจด้วยปัญญาแหะมันแยกกันเองนี่การเข้าใจในธรรมะฝ่ายที่เป็นหินธรรมปณิตะธรรมหรือมัตสิมธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความ ลบร่างสมมุติทำลายสมมตุติก็รวมเข้ามาเรื่องของผู้รู้เรื่องของธาตุรู้ที่ว่าเนี่มเมื่อมันประชุมทั้งสติสมาธิและปัญญามันแยกกันเองแล้วมันจะรู้ถึงความบริสุทธิ์ของใจ ความที่ใจไม่มีทุกเพราะไม่หลงสมมติที่มันทุกเพราะมันหลงมีความหลงในสมมติอยู่รูป <c oughs> สมมติคือกาย <c oughs> สมมติคือสัญญาสมมติคือสังขาร <c oughs> สมมติคือวิญญาณเรียก <c oughs> ว่าขันทั้งห้าเนี่ย <c oughs> มันเป็นสมมติ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อมารู้เห็นด้วยการประชมแห่งสติสมาธิและปัญญามันก็ถอนพวดขึ้นมาเองเรียกว่าหักขาดออกไปเองจากธรรมชาติรู้จึงว่าเหลือแต่รู้ที่ไม่มีอะไรเป็นเสี้ยนน้ำในความรู้นั่ น, นด้วย อาศัยธรรมะดูข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นสตินี่เป็นสิ่งสำคัญ อ, อ, อยู่ที่ไหนที่ไหนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพุดคิดต้องประกอบด้วยความมีสติรละลึกรู้ความจงใจตั้งใจจะพูดอะไรก็มีความตั้งใจพูดจะดูอะไรก็กมีความตั้งใจดู จะฟังอะไรก็มีความตั้งใจฟังให้รู้เรื่องสิ่งที่รู้สิ่งที่ดูสิ่งที่ฟังนั่นตามความเป็นจริงของเขาแล้วมันก็ไม่มีโทษอะไรที่จะให้เกิดเป็นความเหนียวแห้งใจความโทมนัสใจที่เรียกว่าเป็นทุกข์ทางใจเป็นความกังวลทางใจ ไม่มีนี <c oughs> ่แหละอุบายของตานพิตปฏิบัติธรร ม, มพุทธเจ้าสอนไม่ได้สอนอะไรนอกเหนือไปจากศีล<ม>ธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรร ม, มตามที่หลักการที่พระองค์ทรงแสดงธรรมะโปรดพุทธบริษัททั้งหลาย เรียกว่าแสดงตามเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็สแสดงไปตามลำดับเหตุได้แก่ทานศีลสวรรคามตินนบเนคขมะเรียกว่าอนุปุภิคถาห้าคถาที่พระพุทธองค์ทรงสแสด ง, สดงทรงยกขึ้นมา ที่แจงแสดงให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆ Boy Boy. อยู่บ่อยๆก็แสดงเรื่องทานการให้ทานการให้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ม, มีอเนสงที่ใหญ่โตมากมเรียกว่าเป็นฐานเป็นนิสัยในเบื้องต้นมมเมื่อมีนิสัยในการให้การเสียสละก็จะเกิด เป็นนิสัยของความเมตตาความกลัวโทษกลัวบาปกลัวกรรมให้เกิดขึ้นก็จะเป็นผู้สํารวมเป็นผู้ไม่ทำโทษทางกายทางวาจาและนึกคิดทางจิตใจก็จะเป็นการหนูนบุญกุศล ความดีจากการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาเจริญสติปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นนี่จะโน้นกันไปอย่างนั้นพระทั้นพระองค์จึงทรงแ ส, สดงทานกถาศีลกถาคือการเว้นจากบาปแล้วก็การทำบุญทำความดีก็แสดงถึงผล ของการให้ทานการปฏิบัติตนของตนให้เป็นผู้มีศีลมีสุขติเป็นที่ไปผู้ไม่มีโทษไม่ทำโทษย่อมไม่ระแวงถึงผลที่จะเกิดขึ้นมีความหนักแน่นด้วยความเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์แล้วก็จะยังปิติ ให้เกิดยังธรรมะยังกุศลอย่างอื่นให้เกิดเพิ่มพูนขึ้นเหมือนกันกันกบพระสัพทาตานิสงของการรักษาศีลประพฤติศีลปฏิบัติศีลถ้าสัพทาตท่านท่านบวชตั้งแต่อายุยังน้อย ว่ดเป็นพระตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่ไปจนอายุย่างเข้าเจ็ดสิบปีเข้าไปที่ท่านก็อยากมันก็เกิดความอยากจะสิกหาราเพศอยากจะลาสิขาจากเพศของบรรพชิต เพศของนักบวชแต่ถ้าจะราสิขาไปก็มีความเสียดายเสียดายในเพศอย่างความเป็นพระเป็นบรรพชิตถ้าจะศึกไปไปถือเพศของความเป็นคารวะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าเพศของความคารวะนั้นความเป็นคารวะนั้นเป็นหินาเพศเป็นเพศที่ยังเลวอยู่ ไม่เป็นมัชฌิมาเทศไม่เป็นอุตมเพศเหมือนเพศแห่งความเป็นบัรทชิตก็เถียงกันไปเสียงกันมาระหว่างความอยากจะสืขาลาเพศกับความที่จะอยู่เป็นเพศบันทชิตเถียงกันไปเสียงกันมาเอาไปเอามาก็หาทางออก อย่างไรไม่ได้พอดีมีเพื่อนภิกษุด้วยกันจับงูเห่าใส่ในหม้อแล้วก็เอาผ้าขาวปิดปลูกจะเอาไปปล่อยในป่ า, าพระสัพพาตนี่ท่านเห็นเข้าถามเพื่อนภิกษุด้วยกันเอ็นี่พวกท่านถือหม้ออะไรหม้องูเห่า ที่นี่ปัญญาของกิเลสนั่นก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันเพราได้ยินว่าห ม, ม้องูเห่าเออนี่เราจะให้งูเห่ากัดเราตายซะในเพศบรรพชิตนี่เพราะถ้าจะฆ่าตัวตายด้วยตนเองก็จะเป็นโทษเป็นอาบัติปาราศิกท่านก็ไม่ได้คิดไปถึงโน่น คิดแต่ว่าเออถ้าสัตว์มันกัดตายแล้วก็ถือว่าเป็นได้ตายในเพศบนพิชิตท่นานก็ไปของูเห่าจากหมูเพื่อนพิสุรับเอาจะไปปล่อยพ อ, อเขาไปถึงป่ารับหมูรับตาเพราหมูเพื่อนเปิดผ้าขาวออกท่านก็เอามือล่วงลงในหม้องูเหา่าเพื่อว่าจะให้งูเห่านั้นชกกัดให้ตายด้วยคิดงูเห่านั้น พอมันเป็นทุกข์อยู่ก็เป็นทุกข์จะสึกปล่อยก็ไม่อยากก็เสียดายเสียดายเพศบรรพชิตมมีชีวิตอยู่ก็อยากสึกนีก่มันได้เป็นทุกข์กันอยู่อย่างนี้ว่าให้ตายในเพศบรรพชิตไปเสี ย, ยมันจะสบายแต่งูเหามันไม่กัดมันไม่ยอมกัดงูเห่าไม่ยอมกัดทํำยังไงยังไงมันก็ไม่ยอมกัดก็จึงปล่อยมันไป แล้วก็ไปพูดให้มูเพื่อนที่สุดด้วยการฟังว่าจะให้งูเห่ากัดมั่นก็ไม่กัดความนี้ก็ได้ทราบไปถึงพระกันของพระพุทธเจา้าพระองค์จึงบอกว่าโอ้ยมันไม่กัดเหรองูเห่านั่นมันเคยเป็นทาสเป็นลูกน้องเป็นคนรับใช้ของพระองค์นี่แต่นนในขั้งอดีต มันเป็นธาตุมันไม่กัดนายมันไม่ทำรายนายของมันหรอกออก็เลยได้ชื่อว่าทศปธาต์คือผู้มีงูพิษเคยเป็นธาตุที่นี่ก็ยังไม่เสร็จไม่แล้ว umping, ก็ยังเป็นทุกข์ยังคุ้นคิดอย่างนั้นแหละอารมณ์อารมณ์มแห่งความอยากศึกหาลาภเพศ แล้วก็อารมณ์แห่งความเสียดายในเพศบันพชิตสุดท้ายท่านก็ตัดสินใจละที่นี่ตัดสินใจจะเชือดคอของตนเองด้วยมีดโกนมาให้ให้ตายในเพศบันพชินี่สิอ้ ะ, อะเพราะเป็นความพอใจอย่างนั้นที่นี่ได้มีดโกนเข้าไปในป่า เอาคอนี่ไปลองเท า, าเกลีอวไม้ใหญ่พอดีพอดีกับยืนแล้วก็เอาคอลองจะเอามีดโกนเชือดคอของตนเองแต่ก่อนจะเชือดท่านก็มาลึกถึงศีลมาลึกมาลึกถึงศีลที่ตนรักษามาตั้งแต่บวชตั้งแต่เป็นพระเล็กพระน้อยจนปานนี้มา ล, ลึกดูก่อน ศีลไม่ด่างไม่ค่อย้อห้ามอะไรที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามก็ไม่ได้ล่วงเกินนี่เมื่อมา ล, ลึกถึงศีลของตนว่าได้รักษาได้ปกพฤษบริสุทธิ์หมดจดในขณะนั้นขณะนั้นก็พันเกิดความดีอกดีใจเกิดปิติความเอิ้ออิม่มท่วมท้นกัน ในการที่ตนได้ประพฤติศีลให้สมบูรณ์ให้บริสุทธิ์นั่นแหละพิติความอิ่มใจความสุขอะไรมันเกิดขึ้นอะเป็นอีกคนละภาวะของใจขณะที่มีปิติตร อ, อ, อิม่มเหมือนกันกันกบเราทําธุรการงานอะไรสําเร็จด้วยดีนั่นแหละเราก็มีความ อ, อ, อิม่มความดีใจแต่ความ อ, อิบอ่มด้วยปิติ ที่ท่านเรียกว่าพิติสุข ม, มันเป็นองค์ของสมาธิองค์ของฌานอันหนึ่งมเมื่อความระลึกความบริกรรมถึงศีลของตนเองที่ได้รักษาไม่ด่างไม่พ้อยสั่วระยะเวลานมนานพิติอย่างแรงเกิดขึ้นอิน อ, อกดีใจอิม อ, อกอินใจมเมื่อท่านรู้อย่างนั้นก็คมปิติด้วย สติปัญญาของท่านพร้อมปิติด้วยสติปัญญาน้อมปัญญาเมื่อสติอ่อนกําลังลงแล้วน้อมไปสู่การพิจารณาที่นี่ยมันมีกําลังของปิติกําลังของสมาธิหนุนการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงพิจารณาถึงความคิดความนึกของตนเองอยากซึ้งแลืวก็ไม่อยากซึ้ง มันเป็นสัญญาอารมณ์ที่นาเป็นในกายพอเห็นเป็นสิ่งไม่เที่ยงในกิจในรูปเวทนาสาังคาจิญญาณทั้งในขันธ์ห้าปรปซุมรวมลงสู่ความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนทั้งกระอนอุปทานความยึดมั่นถือขันท์ทั้งหลายออกไปด้วยปัญญาเกิดความรู้แจมแจ้ง นี่เรียว่าได้บรรลุธรรมสิ้นสุดทุกข์ลงในขณะจิตนั่นจิตเป็นธรรมชาตินั่นก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีเสียดายอันนั่นไม่มีความอยากอันนี้จิตของท่านเลยพ้นจากอำนาจแห่งความหลงที่เรียกว่าอาวิชชา ที่ท่านก็ไปพูดให้หมูฟังโอ้ยว่าจะฆ่าตัวตายก็เลยฆ่ากิเลสตายไปหมดก่อนติดความเี่ก็ได้ยินไปถึงพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายก็โจ์จันทกันบางองบางนี่ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็มีความเข้าใจผิดยกโทษท่านอย่างโน้อนอย่างนี้ ผู้ที่ท่านมีธรรมที่ท่านลูกเข้าใจในวิถีอันเดียวกันแล้วท่านก็เข้าใจว่าท่านเป็นผู้สิ้นสุดจากอาวิชชาอาสวะทั้งหลายเมื่อความได้ยินถึงพุทธเจ้ารับสั่งให้เข้าเฝ้าตัดถามเรื่องราวท่านก็แสดงเหตุเรื่องราวต่างๆไปตามความเป็นจริงพระพุทธองค์ จึงทรงรับรองว่าพระสัพทัดเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วมีสติสมบูรณ์แล้ว เ, เป็นผู้ค้นจากสมมติทั้งหลายทั้งปวงแล้วนี่อา น, นิสงส์ของศีล เ, เป็นได้อย่างนั้นจึงว่าทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาจะกลมคืนเป็น คุณธรรมอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะประชุมให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญาจนเข้าถึงความบริสุทธิ์วิมุตตินิพานพ้นทุกทางใจได้ด้วยอานิสงส์ของศีลจึงว่าศีเลนะนิพพติงยันติจะเข้าถึงที่สุดแห่งทุก ทั้งหลายทั้งปวงได้ด้วยอนาาิส ง, ขงส์ของศีลเพราะศีลกลมกลืนกันกับสมาธิหนุนกันกับปัญญาเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วนำธรรมะมาอธิบายขยายความพ อ, อ, อให้เข้าใจสรุปรวมว่าธรรมะทั้งหลาย ทั้งที่เป็นฝ่ายต่ำฝ่ายกลางและเป็นฝ่ายละเอียดเกิดขึ้นที่ใจรู้ก็รู้อยู่ที่ใจหลงก็หลงอยู่ที่ใจสติก็เกิดขึ้นอยู่ที่กายที่ใจมีใจเป็นที่เกิดของสติมีกายเป็นเป้าหมายแห่งความรู้ความระลึก สมาธิความตั้งมั่นของใจก็เกิดขึ้นที่ใจมีกายเป็นเป้าหมายให้ละลึกรูปจนต่อเนื่องจนเป็นสมาธิปัญญาเกิดขึ้นที่ใจมีกายมีวาจาเป็นเป้าหมายที่จะให้ที่นิดพิจารณาแยกแยะ เพื่อให้เกิดความแจ่มแจ้งที่เรียกว่าปัญญา <c oughs> นี่จึงรวมศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ที่กายวาจาใจหรือกายวาจาใจเป็นฐานที่จะให้ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อได้ยินได้ฟังแรกจงโอปัญิโก น้อมเข้ามารูปกายรูปใจแล้วระพฤติปฏิบัติต่อกายต่อวาจาต่อจิตใจของเราด้วยความไม่ประมาทเรียกว่าตั้งอยู่ในอัปปมาธธรรมคือความไม่ประมาทในการที่จะระลึกรูปไม่ประมาทในการที่จะมีความเพียนระลึกรูปกำหนดรูปพินิพิจารณา นี่ิงเรียกว่าปฏิบัติเพื่อความไม่ประมาทเมื่อตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วต่อแต่นั่นไปก็จะเป็นผู้ได้รับผลสำเร็จตามความปรารถนาหรือจะเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาประสมลงที่ใจ รูที่ใจเห็นที่ใจเป็นปัจจัดปัจจตังเวทิตโภวิญโยหิผู้ประพฤติปฏิบัติจะสัมผัสกับรสชาติแห่งคำว่าสติสมบูรณ์รสชาติแห่งสมาธิความตั้งใจหนักแน่นของใจที่เป็นธรรมชาติรูและปัญญาเครื่องซองความรูความเห็นให้ แกมแจ้งและปล่อยวางถอนอุปทานความยึดมั่นถือมัน่นเสียได้ีด้วยธรรมคือปัจจตังเรียกว่าเป็นของสะพาะตัวเริ่มน้าแทงคุณพระศรีรัตนาตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าประธรรมเลยประสงค์และบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมา จงรวมเป็นพระเป็นกําลังอันยิ่งสนับสนุนในพวกท่านทั้งหลายประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมให้เข้าใจในธรรมให้รู้ธรรมเห็นธรรมและแม้มากปาถนาความสุขในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเพราะความปาถนานั้นจงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จ ในที arrive, iyim, ame, ants, ่ท so ุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเออมาถึงสมองเรามาถึงสมองเอาเป็นจังได้ไห อ้างใดฟัองแล้วมีความข้องใจอะไรบ้างมีความข้่องใจข้องใจแต่ว่าทำยังไงความเพียรมันจะต่อเนื่องกัน <c oughs> ความเพียรทำยังไงจะต่อเนื่องศรัทธาความเชื่อมั่นในการที่จะละบาปทาบุญดูใจ ปัดอารมณ์ที่มันจะเกิดจากใจมันออกไปให้มันเหลือแต่ความผ่องใสที่เรียกว่าทําจิตใจให้ผ่องใสถ้ามีความเพียรถ้ามีความเชื่อมั่นมีศรัทธาเชื่อมั่นเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์อย่างนี้มันก็จะทําได้เหมือนกันกับเราเห็นผลกําไรในการทํางาน ทำธุรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีผลกำไรเนี่ยมันจะดูดื่มมันจะดูดื่มมันจะอดจะทนจะโอ้สละความสุขแค่การอยู่การกินเหมือนพวกเขาเหมือนพวกร้านขายวัสดุสิ่งของขายดิบขายดีเนี่ยข้าวไม่กินเลยเลยน้องตาไปเห็นน่ะ อาข้าวใส่จานไว้มาตักเท่ะช้อนเนั้นแล้วก็วิ่งจับนุ่นจับนี่ขายให้ลูกค้าสย้ายจนตนเองเกิดเป็นโลกกับพ้ออาหาร <c oughs> นั่นเพราะความเพราะความมุ่งมั่นในในการในผลในกำไรที่ทำนี่ก็เหมือนกันปฏิบัติละบาปบำเพ็ญบุญชำระใจด้วยการสร้างสติ สมาธิเกิดจากการภาวนานความดูดื่มเหมือนกันสมบัติธรรมเรามีอยู่แล้วเนี่ยกายนี่ย กายกับใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยไปหาที่อื่นเลยไปวิ่งหาตามต้นไม้ภูเขาเลากายอย่างอื่นเลยไปหาผลประโยชน์หาอยู่ที่กายกับใจก็ถึงต้องเอากายปฏิบัติเอาใจปฏิบัติมีเท่านี้มันอยู่ตรงนี้แต่ที่บรรจุผลประโยชน์จริงๆก็คือใจแหละบรรจุลงที่ใจ กายกับเป็นเพียงเครื่องนำเหมือนมันกับรถพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางให้เร็วขึ้นถ้าใครมีรถยนดีๆขับขี่ไปเร็วๆได้ถึงจุดหมายปลายทางแต่รถไม่ใช่ไม่ใช่เราด้ยเป็นคนละไม่ใช่คนขี่ไม่ใช่คนนั่งอันนี้ก็เหมือนกันกายกับใจ กลายเป็นที่อาศัยของใจขับขี่ยวดยานคือธรรมะปฏิบัติธรรมะเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแหละก็คือใจนั่นแหละเป็นผู้ถึงเป็นผู้รับผลสัมผัสรับผลประโยชน์จากการที่อาศัยกายนั่นกายเขาไม่มีอะไรอแหละประทุก ป, ประทาเขี่ยวเช่นเขา อย่างไงอย่างไงเขาก็ไม่มีไม่มีอะไรการทําบาปนี่ยอาศัยกายอาศัยวาจาทําการทําบุญทําความดีก็เหมือนกันอาศัยกายอาศัยวาจาเป็นเครื่องมือของใจเหมือนกันแต่การทําบาปทําไปแล้วผลประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่กายที่วาจามันไปอยู่ที่ใจ ตายเนี่เขาไม่ได้รับผลบาปผลบุญอะไรบาจาก็ไม่ได้รับผลบาปผลบุญอะไรแต่ใจเป็นผู้สเสวยเป็นผู้สัมผัสผลบาปผลบุญนั่นอยู่ที่ใจ <c oughs> ตั้งใจให้ดีแนวแน่อธิษฐานอย่างเราอธิษฐานอะไรทําความดีอะไรนี่ในพรรษาเนี่เข้าพรรษามาเดือนกัวก็ให้ รักษาให้แน่วแน่ความสัตย์ความจริงความตั้งใจอันใดล่ะให้แน่วแน่แนอันนั้นคือความจริงใจอทําด้วยความจริงใจแล้วมีอา น, นิสงส์ไม่ว่าทําอย่างไรอย่างอา น, นิสงส์ศีลอยงที่กล่าวที่อธิบายฟังอปฏิบัติด้วยความจริงใจล่ะ มีอันนี้สง์ทานก็นเหมือนกันมีอันนี้สงฆ์ภาวนานหนดใจให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธได้กับลมหายใจได้ต่อเนื่องกันมีอันนี้สง์อันนี้สง์ให้เกิดความสุขเกิดความดีนั่นเราอธิษฐานเลยได้เ <c oughs> มื่อเรามีความสัต์ความจริงมีความดีนั่นเต็มแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ อ่าอะะ